น, นิสงผู้ที่ดำรงตนอยู่ด้วยความเมตตากรุณากุศโลบายและความตื่นรู้แห่งโพธิจิตด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เขาย่อมรู้ถึงซึ่งความเป็นเลิศได้ในชีวิตนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเขาย่อมจะฟันเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และเหล่าโพธิสัตว์อยู่เป็นประจำและฝันอันเป็นมงคลอื่นๆย่อมเกิดขึ้นและองค์เทพทั้งหลายย่อมปกป้องเขาบุญบารมีและปัญญาของเขาย่อมจะเพิ่มพูนอย่างมหาศาลในทุกขณะอารมณ์อันเป็นเครื่องรบกวนและสภาวะอันเลวร้ายทั้งหลาย ย่อมถูกทำให้บริสุทธิ์เธอจะดำรงตนอยู่ด้วยความสุขและความสงบของจิตใจอยู่ตลอดเวลาผู้ประเสริฐทั้งหลายย่อมจะรักและช่วยเหลือเธอในทางกายภาพเธอจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเธอจะบรรลุถึงความสามารถอันเลิศของจิตและคุณสมบัติที่พิเศษ เช่นริอเธอจะสามารถท่องเที่ยวไปในโล ก, กาธาตุอันนับไม่ถ้วนด้วยอำนาจอันพิเศษนั้นเพื่อสาการะบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายและฟังคำสั่งสอนของท่านเหล่านั้นและในเวลาตายก็เช่นกันเธอจะเห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ในชาติต่ อ, ตอไปเธอจะได้เกิดในสถานที่และครอบครัวที่พิเศษที่ซึ่งเธอจะไม่ห่างจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าพระโพธิสัตว์และเธอจะได้มีโอกาสในการสร้างสมบุญบารมีและปัญญาได้โดยง่ายเธอจะมากไปด้วยทรัพย์สมบัติฆ่าท่าบริวาน และผู้ติดตามและด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมเธอจะสามารถช่วยทำให้จิตของสรรพสัตว์มากมายพัฒนาไปจนสุกงอมในทุกๆุกชาติเธอจะสามารถระลึกชาติในอดีตได้หลากหลาย จงพยายามศึกษาทำความเข้าใจให้แจ้งชัดในประโยชน์อันมากมายที่มีบรรยายไว้ในพระสูตรและด้วยวิธีการนี้เมื่อเธอหมั่นเจริญภาวนาให้มากและยาวนานพอในเรื่องความเมตตากรุณาอุศโลบายและความตื่นรู้แห่งโพธิจิตด้วยความศรัทธาเลื่อมใส จิตของเธอจะค่อยๆถูกทำให้บริสุทธิ์และสุขงอมขึ้นเช่นเดียวกับการสีไม้ให้ติดไฟเธอย่อมจะสามารถบรรลุถึงสัจธรรมอันสมบูรณ์จากการภาวนาของเธอเธอจะบรรลุสู่ความรู้อันแจ้งชัดในธรรมาธาตุบริสุทธิ์อันเป็นโลกุตตะปัญญา ที่อิสระแล้วจากคายแห่งความคิดปรุงแต่งทั้งปวงซึ่งปัญญายาแห่งโพธิจิตนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ราวกับตะเกียงเนยที่ไม่ได้สั่นไหวไปด้วยแรงลมซึ่งจิตเช่นนี้อันเป็นคุณสมบัติแห่งโพธิจิตอันยิ่งจะประกอบไปด้วยวิธีแห่งการเห็นแจ้ง ในความไร้ซึ่งตัวตนของธรรมทั้งปวงด้วยการบรรลุถึงสิ่งเหล่านี้เธอจะเข้าสู่วิถีทางอันตั้งมั่นอยู่บนความจริงแท้ของสรรพสิ่งและเธอจะถือกำเนิดในตระกูลแห่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเธอจะดำรงอยู่ด้วยศีลอันบริสุทธิ์แห่งโพธิสัต และวางเฉยกับโลกธรรมทั้งปวงดำรงอยู่ในความเป็นเช่นนั้นเองของโพธิสัตว์และบรรลุถึงโพธิสัตว์ภูมิที่หนึ่งอันแท้จริงซึ่งเธอสามารถศึกษารายละเอียดแห่งอานิสองส์อื่นๆได้มากกว่านี้ในคัมภีร์ต่างๆเช่นโพธิสัตว์ภูมิทั้งสิบนี่คือ วิธีทางในการภาวนาเพื่อความตั้งมั่นอยู่บนความเป็นเช่นนั้นเองดังที่สอนไว้ในลังกาวตาลสูตรและนี่คือวิธีการที่โพธิสัตว์จะเข้าสู่สมาธิจิตว่างอันอิสระจากความคิดปรุงแต่งอย่างแท้จริงด้วยวิธีการนี้ ต่อไปบนหนทางแห่งการภาวนาผู้ที่ได้เข้าสู่โพธิสัตว์ภูมิแรกย่อมภาคเพียรให้เกิดความคุ้นเคยกับปัญญาทั้งสองแห่งโลกุตระและปัญญาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาและกุศโลบายทั้งหลายซึ่งด้วยการภาวนาเช่นนี้เขาจะค่อยๆขจัดกิเลสอันละเอียดที่ได้หมักหมมไว้ภายในให้หมด ซึ่งมันจะเป็นวัตถุแห่งการภาวนาบนหนทางดำเนินของเขาไปเรื่อยๆและเพื่อที่จะพัฒนาสู่คุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปเขาช่วยชำระล้างจิตวิญญาณในภูมิที่ต่ำกว่าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ซึ่งการจะบรรลุถึงเป้าหมายทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์ก็โดยการเข้าสู่โลกุตระปัญญา แห่งพระตถาคตเจ้าและโดยการเข้าสู่มหาสมุทรแห่งสัพพัญยุตายานซึ่งด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆจิตของเขาจะค่อยๆถูกทำให้บริสุทธิ์พระสูตรกล่าวว่าเพื่อให้บรรลุถึงโพธิสัตว์ภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปจิตจะต้องถูกทำให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับเธอจะถลุงแร่ทองเพื่อให้ได้ทองคำแท้จนกว่าเธอจะบังเกิดความรู้แจ้งในพุทธภาวะอันสูงสุดเมื่อเข้าสู่มหาสมุทรแห่งสัพพัญยุตายานเธอจะมีคุณธรรมอันบริสุทธ์ราวกับแก้วมณีอันล้ำค่าเพื่อที่จะใช้ ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์และนี่จะเป็นทางทำให้สิ่งที่เธอได้ตั้งปณิธานไว้ในอดีตสาฤทธิ์ผลตัวเธอจะกลายเป็นแหล่งแห่งมหาการุณามากไปด้วยบา ร, รมีอันเป็นกุศโลบายที่จะให้ผลโดยตัวของมันเองและสามารถทำงานช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม และยิ่งกว่านั้นคุณสมบัติอันพิเศษทั้งหลายจะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการกำจัดกิเลสและอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงดำรงอยู่เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยการเข้าใจแจ้งชัดเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความศรัทธาอันยิ่งต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันเป็นแหล่งแห่งพระปัญญาและคุณธรรมอันหาที่สุดหาประมาณนม้ได้ซึ่งทุกๆคนควรจะภาคเพียรพยายามที่จะทำตนให้แจ้งชัดในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยตนเองพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสัพพัญยุตายานนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยมีมหาการุณาจิตเป็นรากเงาความตื่นรู้แห่งโพธิจิตเป็นเหตุหลักและสมบูรณ์ได้ด้วยกุศโลบายอันเลิศผู้ฉลาดย่อมนำตนออกห่างจากความอิจฉาริษยาและมนทินอื่นๆ ความปรารถนาในการสร้างสมคุณธรรมของพวกเขาย่อมไม่มีวันเหือดแห้งดุดน้ำในมหาสมุทรพวกเขาจะเลือกกระทำในสิ่งอันควรด้วยปัญญาแห่งการแยกแยะที่ถูกต้องเชกเช่นหงที่รู้จักแยกน้ำนมออกจากน้ำแม้เป็นคำพูดของเด็ก แต่หากมีประโยชน์ก็ควรรับฟังดังนั้นบัณฑิตควรเปิดใจให้กว้างไม่เป็นคนคับแคบนำตนออกห่างจากทศนะที่สร้างความแตกแยกทั้งหลายบุญกุศลใดอันเกิดจากการแสดงธรรมนี้ข้าขออุทิศให้แก่สรพพสวเพื่อให้เขาเหล่านั้น แจ้งชัดในหนทางภาวนาเพื่อความหลุดพ้นอันสูงสุดด้วยเธอกรมลชิรา